อากุศลมูลสาอากุศลละมูลสามอย่างเป็นมูลแห่งอนุวาธาธิกรเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมมีจิตโลภโจทย่อมมีจิตโกรธโจทย่อมมีจิตหลงโจรภิกษุด้วยศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติ อากุศลมูลสามอย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอนุวาธาที่กอน